เพื่อมันทำให้เธอได้หันมามองจันใส่หัวใจลงในข้อความเติความหวานในเธอวันไว้เพื่อมันทำให้เธอได้กลับใจมองฉันยังคงเฝ้าคาาอยจากจอ เธอที่ได้ไหมจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บลาเพรู้